จเจริญพรท่านสาธุชนพุทธบริษัทอุบาสุบาสิกาผู้ใฝ่ธรรมทุกท่านวันนี้เป็นวันเสาร์ที่13เมษายนพุทธศักราช2556เป็นวันสำคัญของชาวไทย เราเรียกว่าวันสงกรานต์วันขึ้นปีใหม่เป็นวันที่พวกเราทั้งหลายจะได้มาแสดงความกตัญญูกะตะเวทีต่อผู้มีก็คุณทั้งหลายเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายทั้งที่อยู่ และทั้งที่ได้ร่วงรับไปแล้วเราสามารถแสดงความกตัญญูกตเวทีได้ความกตัญญูแปลว่าความรู้คุณความกตเวทีแปลว่าการตอบแทนบุญคุณพวกเราทุกคนนี้เป็นเหมือน เป็นหนี้บุญคุ ณ, คณเป็นลูกนี้หน้าที่ของลูกนี้ก็ต้องใช้นี้เมื่ออยู่ในฐานะที่จะใช้ได้เพราะว่าการที่เราจะมาเกิดมาเป็นมนุษย์มามีลาภยศสรรเสริมมีความสุขทางตาหูจมูกเินน่นกาได้เราก็ต้องมีร่างกาย ร่างกายนี้เราก็ต้องได้จากพ่อจากแม่ถ้าไม่มีพ่อไม่มีแม่เราก็จะไม่สามารถมีร่างกายได้เมื่อเราไม่มีร่างกายเราก็ไม่สามารถมีาลาภยศสนเสริมีความสุขทางตาหูจมูกนิ้วกายได้ดังนั้นบุคคลที่มีความสำคัญต่อ เราอย่างยิ่งมีพระคุณกับเราอย่างมากก็คือบิดามารดาผู้บังเกิดเรานั่นเองเราจึงควรที่จะล้ำลึกถึงพระคุณของบิดามารดาอยู่อย่างต่อเนื่องและทดแทนบุญคุณอย่างต่อเนื่องมีมากก็ให้มากมีน้อยก็ให้น้อยแต่ย่า หาเหตุมาอ้างว่าทดแทงบุญคุณไม่ได้เพราะจะทำให้เราไม่ทดแทงบุญคุณนั่นเองการที่เราจะล้ำลึกถึงพ่อคุณของพ่อของแม่อย่างต่อเนื่องนั้นก็ได้มีวิธีสอนคือทุกครั้งที่เรากล่าบพระเช้าตื่นขึ้นมากล่าบพระไหว้พระหรือตอนเย็น ไหว้พระสวนมนก่อนเข้านอนหลังจากกราบพ่อพุธพรอธรรมพระสงฆ์แล้วก็ให้กราบพ่อกลาบแม่ไม่ว่าพ่อจะอยู่ที่ไหนแม่จะอยู่ที่ไหนก็ไม่เป็นปนัญหาการกราบของเราไม่จําเป็นจะต้องกราบต่อหน้าท่านการกราบนี้เพื่อเป็นการเตือนสติให้เรารำลึก ถึงพ่อคนของพ่อของแม่อยู่เรื่อยๆแล้วเพื่อเราจะได้ไม่ลืมบุญคุณแล้วเราจะได้ทดแทนบุญคุณตามแต่เหตุการณ์ตามแต่ความสามารถของเราถ้าเรามีความกระตันยูกระตะเวที <c oughs> ก็เถอว่าเราเป็นคนดีคุณสมบัติของคนดีนั้น ไม่ต้องไปมองที่ไหนให้มองที่ความกตัญญูกะตะเวทีถ้าเขาไม่สามารถทดแทนบุญคุณบุคคลที่มีบุญคุณกับเขาได้แล้วเขาจะไปทดแทนบุญคุณให้กับบุคคลอื่นได้อย่างไรถ้าไม่มีความกตัญญูกะตะเวทีต่อบิดามารดาคนอื่นจะมีความหมายอะไรเพราะไม่มีใครมีความสำคัญ มีพระคุณยิ่งเท่ากับวินามารดา น, นั้นเองนี่คือเบื้องต้นของการเป็นบุคคลดีเป็นคนดีเบื้องต้นของการพัฒนาชีวิตจิตใจของตนให้เจริญให้สูงไปตามลำดับอย่างพระพุทธเจ้านี้ก็ไม่เคยยืมพระคุณของวิดามันดานถึงแม้ว่าพระพุทธมารดาได้ จากโลกไปหลังจากที่ได้ทรงประสูติเจ้าชายสิทธทัตถะเจ็วันไปแล้วแต่หลังจากที่พระพุทธเจ้าได้ทรงตัดสรูปเป็นพระพุทธเจ้าทรงมี <c oughs> มีพระอิทธิฤทธิทรงสามารถติดต่อกับพระพุทธมารดาที่ได้เสด็จไปอยู่บนสวรรค์แล้ว สามารถติดต่ออบรมสั่งสอนพระธรรมจนพระพุทธมารดาได้บรรลุเป็นผ้าโซดาบันได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานไม่มีวันที่จะต้องไปเกิดในอบายอีกต่อไปไม่ว่าจะเคยทำบาปมามากน้อยเพียงใดถ้าเป็นพ้าโสดาบันแล้ว บาป ก, กรรมนั้นจะไม่สามารถดึงไปให้ไปใช้กรรมในอบายได้และภพชาติของพระโสดาบันก็จะเหลือเพียงเจ็ดบภพบชาติเป็นอย่างมากหลังจากนั้นก็จะได้เข้าสู่พระนิพพานได้หลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้หลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งหลาย นี่คือการทดแทนพระคุณของบิดามารดาอย่างสูงสุดก็ต้องทดแทนด้วยการทําให้บิดามารดาได้หลุดพ้นจากอาบายได้เข้าสู่กระแสของพระนิพพานซึ่งผู้ที่จะทําอย่างนี้ได้ก็ต้องเป็นผู้ที่ได้หลุดพ้นจากอาบายแล้วผู้ที่ได้เข้าสู่กระแสเข้าสู่พระนิพพานแล้ว เพราะว่าถ้ายังไม่มีความสามารถที่จะทําได้ก็จะไม่รู้จักวิธีที่จะทําให้ผู้อื่นสามารถหลุดพ้นจากอบายหลุดพ้นจากการเวียนว่ายตายตัวได้ถ้าเรายังไม่สามารถที่จะสอนหรือให้บิดามารดาของเราได้บรรลุเป็นพระโสดาบันได เราก็ต้องทำในส่วนที่เราทำได้ถ้าเรามีเงินทองก็ควรที่จะแบ่งปันให้บิดามารดาได้ใช้อยู่เรื่อยๆถ้าบิดามารดาไม่สามารถดูแลตัวเองได้เราก็ต้องเป็นผู้เลี้ยงดูท่านท่านเคยเลี้ยงดูเรามาเป็นสิบปี20สิปีตอนนี้ท่านฉลาภาพไม่มีใครสามารถ ถ้าไม่สามารถเลี้ยงดูตัวท่านเองได้เราก็ต้องเลี้ยงดูท่านต่อไปจนกว่าชีวิตจะหาไมา่ไม่ว่าเราจะมะยางมีดีชนอย่างไรการเลี้ยงบิดามารดานี้เราต้องเลี้ยงได้ถ้าเราเลี้ยงตัวเราเองได้ทำไมเราจะเลี้ยงบิดามารดาไม่ได้ถ้าบิดามารดาเลี้ยงเราได้ทำไมเราจะเลี้ยงท่านไม่ได้ อย่าให้เป็นไปตามที่เขาพูดไว้ว่าบิดามารดาเลี้ยงลูกเป็นสิบได้แต่ลูกเป็นสิบเลี้ยงบิดามารดาสองคนไม่ได้อย่างนี้แสดงว่าเป็นลูกอกักตรมยูเป็นลูกที่ไม่มีความกตัญญูกตวเวทีเพราะถูกความหลงความเห็นแก่ตัวครอบงำจิตใจคิดจะหาแต่ประโยชน์ หาแต่ความสุขใส่ตัวเองจนลืมเรื่องของการดูแลบิดามารดาไปพอถึงเวลาจะต้องดูแลต่างคนก็ต่างเกี่ยงกันก็เลยไม่มีใครดูแลบิดามารดาแต่ถ้าเราคอยกับบิดามารดาทุกเช้าทุกเย็นล้ำลึกถึงพระคุณอันยิ่งใหญ่ของบิดามารดาอย่างสม่ำเสมอ แล้วก็ทดแทนไปตามกำลังของเราอยู่เรื่อยๆมีเงินทองได้เงินเดือนมาก็แบ่งให้บิดามารดาไปเช่นเราได้มาร้อยนี่ก็แบ่งไปอย่างน้อยสักสิบบาทก็ยังดีอย่าไปอ้างว่าไม่มีให้เวลาที่เราเจริญเติบโตเวลาที่บิดามารดาเลี้ยงเลี้ยงเหล่านี้ท่านไม่เคยอ้างว่าท่านไม่มีเงินให้เรา บางถีท่านไม่มีอาหารท่านยังยอมอดเพ<ม>ื่อให้เราได้กินเพราะฉะนั้นขอให้เราคิดถึงก็ุณของบิดามารดาอยู่เรื่อยๆแล้วเราจะได้เป็นคนที่มีความกตัญญูกตวเวทีเราจะเป็นคนดีจะเป็นคนที่ผู้อื่นยกย่องนับถื อ, อมไม่มีใครจะตำหนิคนที่มีความกตัญญูกตวเวที แต่ไม่มีใครจะยกย่องสรรเสริญคนที่มีความหมักกดำอยู่และการทำประโยชน์ให้แก่ผู้คนนี้ก็จะทำให้จิตใจของเรามีความสุขมีความสุขมากกว่าการที่เราจะหาประโยชน์หาความสุขใส่ตัวเราด้วยการไปเที่ยวตามสถานที่ต่างๆด้วยการไปดื่มด้วยการไปรับประทาน ด้วยการไปซื้อเข้าของต่างๆความสุขเหล่านี้เมื่อเปรียบเทียบกับการตอบแทนทวกคุณให้แก่บิดานานานี้มันต่างกันเหมือนฟ้ากับดินเลยดงนั้นขอให้พยายามทำไปเถิดทำไปเรื่อยๆแล้วจะเกิดความรู้สึกที่ดีขึ้นมาในตัวเองจะมีความสุขใจจะมีความภูมิใจ นี่คือเรื่องของวันสงการที่เรามีธรรมเนียมมาทำบุญเพื่อตอบแทนบุญคุณของผู้ที่ร่วงลับไปแล้วสิ่งที่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วจะสามารถรับได้ก็คือบุญอุทิศที่เราได้ทำกันก่อนที่เราจะอุทิศบุญได้เราก็ต้องมีบุญก่อนเราต้องทาบุญก่อน เหมือนกับการที่เราจะส่งของขวัญให้แก่ผู้อได้เราก็ต้องมีของขวัญก่อนเราก็ต้องไปซื้อของขวัญมาเมื่อเรามีของขวัญแล้วเราก็เอาของขวัญ น, นี้ไปให้แก่ผู้อได้เช่นเดียวกับการอุทิศส่วนบุญเราก็ต้องทำบุญก่อนต้องสร้างบุญก่อนบุญที่เราสร้างในวันนี้ก็คือบุญที่เกิดจากการให้ทาน เรามาทําบุญให้ทานถวายข้าวของเงินทองให้แก่พระภิกษุสามเณรเองพอเราถวายท่านไปแล้วเราก็จะได้บุญขึ้นมาในใจเราพอเวลาเราอุทิศเราก็อุทิศบุญที่เรามีอยู่ในใจนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเวลาอุทิศนี้ไม่จําเป็นจะต้องรอให้พระกล่าวญาติถ า, าสักพี ไม่ต้องให้พรสสวดไปก่อนถึงจะอุทิศได้และไม่จำเป็นจะต้องมีน้ำไว้เกลือเพราะว่าสิ่งเหล่านี้เป็นส่วนประกอบเป็นส่วนที่จะแสดงให้เรารู้ว่าเรากำลังอุทิศบุญเท่านั้นเองแต่ความจริงแล้วบุญนี้มันเป็นความสุขใจความรู้สึกที่ดีที่มีอยู่ในใจของเรา เราก็อุทิศความรู้สึกที่ดีความเอ็นใจความสุขใจให้แก่ผู้ที่ร่วงลับไปแล้วถ้าผู้ที่ร่วงลับรอรับอยู่เขาก็จะได้รับความสุขใจเอ็นใจไปกับเรานี่คืออาหารทิพของผู้ที่มีร่างทิพคือผู้ที่ไม่มีร่างกายอยากอย่าไปทดแทนบุญคุณด้วยการซื้อข้าวของ เป็นเส้นไหวที่หลุงศพเสร็จแล้วก็เอาของที่ไปซื้อมารับประทานกันอย่างนี้ผู้ที่ตายไปแล้วไม่ได้อะไรได้แต่ผู้ที่ผู้ที่ซื้อของนี้มารับประทานมันก็เหมือนกับซื้อกับข้าวกับปลามากินอยู่ทุกวันนี้เพราะว่ามันไม่เป็นบุญการที่จะเป็นบุญนี้เราจะต้องเสียสละ ประโยชนสุขของเราให้แก่ผู้อื่นเช่นเสียสละทรัพย์เสียสละเท่าของต่างๆให้แก่ผู้อื่นเวลาเสียสละนี้ใจของเราก็จะมีความอิ่มมีความสุขมีความภูมิใจอันนี้แหละคือบุญที่เราอุทิศไปไม่ใช่ไปไหว้ที่หลวมหลุมศพแล้วก็เอาเอาของที่เราชอบรับประทานไปเส้นไปไว่า พอชิ่งไว้สักครึ่งชั่วโมงแล้วเราก็มานั่งรับประทานกันอย่างนี้เป็นการเล่นตลกกันโกหกกันเราได้รับประโยชน์แต่คนตายไม่ได้รับประโยชน์คนอื่นไม่ได้รับประโยชน์อย่างนี้จะไปเป็นบุญได้อย่างไรเราจะรู้สึกอิ่มใจสุขใจได้อย่างไรเราไม่มีความรู้สึกอะไร<ม>ก็เหมือนกับการที่เรารับประทานอาหารในแต่ละครั้งนั่นเอง นี่คือการอุทิศบุญไม่ต้องรอให้พระกล่าวญาติถาสัมพีเวลาที่พระท่านกล่าวนี้ท่านเป็นการแสดงธรรมเป็นการอธิบายให้ญาติโยมฟังถึงเรื่องของการอุทิศบุญว่าเป็นอย่างไรอย่างที่ได้แสดงในตอนนี้ญาตถาสัพพีนี้เป็นการบอกถึงเรื่องของการอุทิศบุญ เราทำบุญแล้วเรามีบุญเราก็อุทิศให้แก่ผู้ที่ร่วมรับไปรได้พอพระท่านร่วมสวนสักทีนี้ก็เป็นการอนุโมทนาแสดงความชื่นชมยินดีกับการทําบุญกับการมีความกตัญญูกะตะเวทีเพราะจะเป็นเหตุให้เจริญด้วยอายุวันน้ำสุขาภาระนั่นเองนี่คือ เรื่องของญาถาสัพเีไม่ต้องเราไม่ต้องรอพระก็ได้แต่ถ้าเราจะรอก็ควรจะทำให้ถูกถูกวิธีของของการตรวจน้ำเช่นถ้าจะตรวจน้ำตอนที่พระกล่าวญาถาก็รอให้พระเริ่มกล่าวญาถาเราก็เทน้ำใส่ภาชนะแล้วไม่ต้องเอาไม่ต้องพนมมือไม่ต้องยกมือข้างหนึ่งขึ้นมาอีกมือหนึ่ง เทน้ามันดูแล้วตลกไปบนปากเอามือสองมือจับภาชนะที่เราจะกวนนั้นเทลงไปในภาชนะพอพระเริ่มสวดสับพีเราก็เทน้าให้หมดแล้วเราก็พนมมือรับพรต่อไปก า, การการกล่าวญาถาสัพปีของพระนี้ท่านแบกเป็นสองสว่วนท่านว่าญาถาให้ผีสัพ สักพีให้คนให้เนยะถาก็คืออุทิศให้กับผู้ที่รล่วงล้บไปแล้วสัปพีก็ให้พรกับคนที่มาทำบุญนี่คือธรรมเนียมที่เราทำกันมาซึ่งบางครั้งมักจะทำกันแบบผิดผิดถูกๆไม่รู้ว่าวิธีที่ถูกต้องกันทำอย่างไรบางคนถ้าสวนสัปพีแล้วก็ยังกวนน้าอยู่นั้นยังเทน้ำอยู่นั้น พอพระท่านสวดสักพีแล้วก็แสดงว่าการกวดน้ำของเราจบแล้วการกวดน้ำก็ไม่ต้องท่องคาถาอาคมอะไรเพียงรลึกภายในใจภาษาใจของเราว่าเขาที่ส่นบุญสุนกุศลนี้ให้แก่ผู้ที่ร่วงรับไปแล้วเช่นบิดามารดาครูบาอาจารย์ญาติสนิทมิสหายลืกสับประศัท์ทั้งหลายก็ว่าไปท่านั้นเองไม่ต้องมาสวอิมนาอะไรต่าง สวดไปก็ไม่เข้าใจความหมายสวนไปแล้วผู้รับก็ไม่ได้รับเพราะเราไม่ได้เราไม่ได้กล่าวภายในใจเราว่าเราจะให้ไขนั่นเองเราไม่รู้ว่าเราสวดอะไรเป็นเหมือนนกแก้วที่ล้องแก้วจา๋าแก้วจา๋พาพอแก้วไปให้ก็ปัดทิ้งหมดจะเอาแต่กล้วยอย่างเดียวนะเข้าใจไหมนะทำอะไรอย่าไปติดพิธีกรรมมากพิธีกรรมนี้ไม่ใช่เป็นเนื้อเป็นหนัง การกระทำที่ออกจากกายออกจากกายวาจาใจนีจ้ต่างหาที่เป็นเนื้อเป็นหนังอย่างนั้นถ้าเราไปวัดป่าไปสายปฏิบัตินี้ท่านจะไม่ค่อยเน้นเรื่องพิธีกรรมเท่าไหร่แม้แต่การถวายข้าวถวายของก็ไม่ต้องมานั่งมากล่าวกันก็รู้กันอยู่แล้วว่ามาถวายแล้มากล่าวกันหาอะไรอีกให้มันเสียเวลาเปล่าๆมาถึงก็ประเคนกันให้มันเสร็จเร็จไปจะได้ไม่เสียเวลา พอใจนะบางทีมานั่งทำพิธีกันแล้วก็ไม่ได้อะไรแล้วก็ไม่รู้เรื่องเวลากล่าว่ากล่าวไม่เป็นอยู่ดีกล่าวก็ไม่รู้จักความหมายว่าเขากล่าวอะไรกันดังนั้นขอให้เราแยกแยะให้รู้ว่าพิธีกรรมนั้นเป็นส่วนประกอบเท่านั้นไม่ใช่องค์ประกอบที่สาคัญถ้าเป็นอาหารก็เป็นเหมือนส่วนที่เขาประดับไว้บญจานเช่นตะกร้าผักชีเท่านั้นเอง ส่วนที่สำคัญก็คืออาหารที่เราจะรับประทานนั้นขอให้เราเวลาทำบุญข้อสำคัญให้ทำที่ใจของเราการทำบุญก็คือการเสียสละการยกสมบัติส่วนหนึ่งให้แก่ผู้อื่นเมื่อเรายกให้เขาไปแล้วเราอย่าไปยึดติดว่าเป็นของเราเราอย่าไปเสียใจเวลาเขารับไปแล้วเขาเอาไปให้คนอื่นหรือเขาเอาไปทำอะไรก็ตาม เพราะเราต้องคิดว่าอันนี้ไม่ใช่ของเราแล้วเป็นของเขาเขามีสิทธิเต็มที่เขาจะเอาไปใช้หรือไม่ใช้เขาจะเอาไปทำบุญต่อหรือจะเอาไปทำทานต่ออันนี้เป็นสิทธิของเขาหน้าที่ของเรามีให้เขาไปให้เขาไปแล้วก็จบถ้าเรายังไปยึดติดว่าต้องให้ต้องเอาไปทำอย่างนั้นต้องเอาไปทาอย่างนี้แสดงว่าเรายังไม่ได้ให้ถ้าเราให้แล้วเราต้องไม่มี ไม่มีส่วนในในการใช้ของเขาถ้าเราให้แบบที่ยังมีความยึดติดอยู่เราจะไม่ได้บูเพราะใจเราจะไม่สบายเวลาที่เขาไม่ได้ไปทําตามที่เราอยากจะให้เขาทำดังนั้นเวลาเราทาทานทาบุญกับใครเราอยาาไปยึดติดเราพิจารณาความเหมาะสมเห็นว่าเขาเดือดร้อนเขาขาดแคนอะไรเราก็ให้เขาไป แต่บางทีบางอย่างสิ่งที่เราให้เขาไปก็าอาจจะใช้ไม่ได้กด็ได้หรือเขาไม่มีเขามีมากพอแล้วเขาจะเก็บไว้มันก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรถ้าเขาเอาไปให้ผู้ต่อไปเราก็อยากไปเสียใจเราควรจะอนุโมทนาการอนุโมทนาในการทำบุญของผู้ก็จะทำให้เราได้บุญอี ก, อกต่อหนึ่งด้วยก็คือเราได้ความสุขใจ ที่เห็นเขาได้ไปทำบุญนี่คือการทำบุญถ้าอยากจะได้บุญมากๆต้องทำด้วยความบริสุทธิ์ใจไม่หวันผลตอบแทนไม่มีเงื่อนไขจากผู้รับต้องการอย่างเดียวก็คือให้เขามีความสุขให้เขาได้มีอดปล่อยความทุกข์ให้เบาบางน้อยลงไปเช่นเวลาผู้อื่นเดือดร้อนขาดอาหาร การยารักษาโรค ก, กาดที่อยู่อาศัยกาดเครื่องนุ่งห่มอย่างเวลามีอุปทุกภัยมีอักคีภัยเราก็ไปช่วยเหลือกันอันนี้ก็เป็นการทําบุญเหมือนกันทํานั้นเราก็ไม่ได้ไปเฝ้าดูว่าเขาจะเอาของที่เราให้เขานั้นเอาไปทําอย่างไรแต่ถ้าเรามาทราบภายหลังว่าเป็นการทุจริตเช่นเอาไปเอาไปขายต่อหรือของที่ให้ไปนี้ไปไม่ถึง มือของผู้ที่เดือดร้อนข่าวหน้าเราก็อย่าไปทํากับเขาอย่าไปให้เขาเราก็ไปทาที่ที่เรามั่นใจว่าไปถึงผู้ที่เดือดร้อนจริงๆแต่จะเมื่อเราให้ไปแล้วขอให้เราลืมมันเถิดอย่าไปคอยวิตกกังวลว่าจะถึงหรือไม่ถึงอย่างไรเพราะความวิตกกังวลนี้มันจะมาลบบุญที่เราควรจะได้รับก็คือความสุขใจความสบายใจนี่เอง นี่คือเรื่องของการทำบุญจะทำกับใครก็ได้ได้บุญเหมือนกันบุญนี้แปลว่าความสุขใจทำกับพระก็ได้ความสุขใจทำกับนัคารวะญาติโยมก็ได้ความสุขใจทำกับเดรัจฉานก็ได้ความสุขใจเหมือนกันเช่นเวลาเราปล่อยนอกปล่อยปลาอย่างนี้หรือว่าเวลาถ่ายชีวิตของวัวควายอย่างนี้มันก็เป็นความสุข เหมือนกันที่เราได้ปลดเปลื้องความทุกข์ของผู้อื่นดังนั้นไม่จําเป็นว่าจะต้องทําบุญกับพระท่านั้นถึงจะได้บุญคาว่าทานนี้แปลว่าการให้เมื่อให้แล้วก็จะเกิดผลขึ้นมาผลนี้เราเรียกว่าบุญคือความสุขใจดังนั้นถ้าอยากจะให้ทานกับใครนี้ให้ได้ทั้งนั้น จะได้บุญมากบุญน้อยอยู่ที่ใจของเราว่ามีเงื่อนไขหรือไม่มีเงื่อนไขถ้ามีเงื่อนไขก็อาจจะได้น้อยถ้าเขาไม่ทำตามเงื่อนไขของเราเช่นทำบุญแล้วเขาไม่เขียนชื่อเราติดป้ายไว้อย่างนี้พอเรามาเห็นเข้าเราก็จะเสียใจทำบุญไปแล้วอย่าไปมีเงื่อนไขอะไรเราต้องการช่วยเหลือให้เขามีความสุขมีความสบายใจเท่านั้นมีความสุขกาย ส่วนเราจะได้มีความสุขใจนี่คือการทําบุญแต่ก็มีการสอนว่าเวลาทําบุญถ้าเลือกได้ก็ควรจะเลือกว่าบุคคลที่เราทําบุญด้วยนั้นมีหลายระดับด้วยกันคนดีมากก็มีคนดีน้อยก็มีคนไม่ดีก็มีถ้าทำกับคนไม่ดีก็เหมือนกับสง่งเสริมคนไม่ดีให้ไปทําความไม่ดีต่อไป ยกเว้นในกรณีที่เป็นเรื่องของมนุษยธรรมก็คือเขาไม่สามารถช่วยตัวเขาเองได้เช่นเจ้าหน้าที่ตำรวจเวลาไปจับผู้ร้ายแล้วเกิดการต่อสู้กันเจ้าหน้าที่ตำรวจยิงผู้ร้ายบาดเจ็บก็ต้องพาเข้าไปรักษาพยาบาลให้เขาหายก่อนที่จะจับตัวไปดำเนินคดีต่อไป ถ้าเป็นการช่วยแบบมนุษยธรรมก็ต้องทำไปไม่ว่าจะเป็นคนดีหรือไม่ดีหรือแม้แต่สัตว์ที่เป็นพิษเป็นภัยก็ต้องก็ต้องรักษาพยาบาลถ้าเขาเจ็บไข้ได้ป่วยแต่เราต้องมีมาตรการป้องกันตัวเราเอง mm. เช่นต้องจับขังไว้ในในกรงหรือผูกมัดเอาไว้ไม่ใช่ปล่อยให้เพ่นพ่านเดี๋ยวก็จะกลับมากัดเราได้มาทาลายเราได้ แต่ถ้าเราเลือกคนที่เราจะทำได้คนที่คนดีมากเท่าไหร่เราจะได้ผลตอบแทนมากคือเราจะได้ของแถมเหมือนเวลาที่เราไปเติมน้ามันตามสถานีบริการต่างๆบางสถานีบริการก็มีของแจกบางสถานีบริการก็ไม่มีถ้าเราอยากจะได้ของแจกเราก็ต้องไปสถานีบริการที่มีของแจก เช่นเดียวกับถ้าเราอยากจะได้ของแถมจากการทำบุญของแถมที่มีคุณค่ากว่าบุญที่เราได้รับจากการทำบุญเราก็ต้องทำกับพระพุทธเจ้าเพราะเราจะได้ของแถมจากพระพุทธเจ้าก็คือธรรมะคำสอนซึ่งอาจจะทำให้เราหูตาสว่างบรรลุธรรมดุดพ้นจากการเวียนว่ายตายเกิดได้ แต่ถ้าเราไปทํากับคนที่ไม่มีธรรมะเขาก็จะไม่สามารถสอนธรรมะให้กับเราได้เราก็จะไม่ได้รับของแถมดังนั้นจึงมีการพูดว่าถ้าเลือกทำกับคนที่มีธรรมะมากๆได้ก็ขอให้เลือกคือคนขั้นสูงสุดก็คือพระพุทธเจ้าลองลงมาก็คือพระปฏิเจกกับพระพุทธเจ้าลองลงมาก็คือพระอารหันต์ลองลงมาก็คือ พระอนาคามีพระสกิดาคามีพระโสดาบันตามลําดับถ้าไม่มีก็ต้องมาหาพระที่บรรลุฌานสมาบัติผู้ที่เข้าฌานได้นั่งสมาธิได้ถ้าไม่มีก็ต้องมาหาพะระที่สงศิลที่มีความสะอาดทางกายทางวาจานี่คือบุคคลที่เราควรที่จะเข้าหาถ้าเราอยากจะได้ของแถม คืออยากจะได้ศีลอยากได้ธรรมว่าบุคคลเหล่านี้เขาจะรู้จักวิธีปฏิบัติเขาก็จะสามารถสอนให้เราปฏิบัติได้อย่างถูกต้องแล้วเราก็จะได้มีศีลมีสมาธิมีปัญญาตามลาดับต่อไปนี่คือเรื่องของการทำบุญในวันเข้ า, ขาวันสงการที่เป็นวันที่พวกเราทั้งหลาย ได้ตั้งใจมาบำเพ็ญบุนกุศลทั้งเพื่อตนเองและเพื่อผู้คือเพื่อบิดามารดาผู้มีทุกคุณทั้งหลายที่ร่วงรับไปแล้วส่วนเวลาสำหรับผู้ที่ยังมีชีวิตอยู่เราก็าไปคารวะกราบไหว้นำเอาเข้าวเอาของไปไปรดน้ำตาหัวตามระเพณีเพื่อแสดงความเคารพอยู่กัตเวที ถ้าเราทำอย่างนี้ได้ชีวิตของเราจะมีแต่เจริญรุ่งเรืองขึ้นไปตามลำดับจนถึงขั้นของพระพุทธเจ้าได้อย่างแน่นอนจึงขอฝากเรื่องของการมาทำบุญในวันสงการนี้ให้ท่านได้นําเอาไปพิณิพิจารณาและปฏิบัติเพื่อความสุขและความเจริญ <c oughs> ที่จะตามมาต่อไป <c oughs> การสแสดงก็เห็นว่าสมควรแก่เวลา เึงขอยึดติไว้เพียงเท่านี้ขอคุณพระศีรัตนตรัยและบุญกุศลที่ท่านได้มาบำเพ็ญในวันนี้จงไม่เหตุมีปัจจัยให้มีให้ท่านมีแต่ความสุขและความเจริญด้วยอายุวันนางสุขภาพพลัโดยทั่วหน้าการเธอ